จเจริญพรและญาติโยมทั้งหลายวันนี้พวกเรายืนหยัดต่อสู้ยาวนานนะตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้วยังไม่ถอยนะใจถึงจริงๆนักปฏิบัติต้องใจถึงนะหนะลวงพ่อใจไม่ถึงเท่ารุ่นครูบาอาจารย์แต่ก่อนหรอกนะแต่ก่อนท่านทุดงเจอเสือเจอช้างมารุ่นเราเสือช้างมันไม่ค่อยมีนะเจอแต่อยู่ในกรงไม่น่ากลัวอะไรนะนักปฏิบัติรุ่นหลังก็เลย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 หลวงพ่อเคยรู้จักครูบาอาจารย์ลงหนึ่งนะท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลนะแล้วคุยสนทนาธรรมะกับท่านนะท่านน้าตาคลอเลยนะท่านบอกว่าท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นมารุ่นเดียวกันนะ่ะเพราะพ้นทุกไปหมดแล้วนะท่านไม่ได้อะไรเลยนะแต่ท่านไม่ถอยนะอีกร้อยชาติท่านก็จะทำนะํำไม่ท้อถอยนี่จิตใจนักปฏิบัติต้องใจถึงถึงอย่างนี้นะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็เหยาะแย่เหยาะแยะนะคอยแต่จะต้องให้ครูบาอาจารย์ปลอบ หลวงพ่อไม่ปลอบนะเพระรนหลวงพ่อเรียนมาเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยให้ครูบาอาจารย์มาปลอบหลวงพ่อเลยนะไม่เคยให้อ่อนวอนว่าปฏิบัตินะได้โปรดเธอนะไม่เคยเลยนะมีแต่ว่าอุตสาภาคเพียนไปไกลแสนไกลก็ไปนะแต่ก่อนไปลําบากไม่เหมือนยุคนี้หรอกครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ใก้แต่ก่อนอยู่อีสานไปลําบากนะเดินทางก็ใช้เวลาเป็นวันวันะบางทีต้องสองวันนี่รุ่นเรานี่ง่ายแล้วนะแต่ก่อนท่านหาครูบาอาจารย์เป็นเดือนเดือน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 ดูไปจนเห็นความจริงศาสนาก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงอยู่ที่กายที่ใจของเราแต่วันนี้หลวงพ่อเทศแค่นี้พอนะพวกเราสบักสบอมเต็มทีแล้วนะนี่ตอนหลวงพ่อเล่านิดหนึ่งนะหลวงพ่อแต่เดิมอยู่ที่เมืองการไม่เคยคิดจะย้ายนะคิดจะอยู่ที่นั่นไปเรื่อยนะคุณพิตินาตและพัทลุงเนี่ยหลานเหลนของพญาพัทลุงคางเหล็ก พญาพัทลุงคลังเหล็กนี่คนสมัยพระเจ้าตากนะเป็นพญาเป็นเจ้าเมืองพัทลุงวันหนึ่งมาประชุมที่ทนบุรีพระเจ้าตากก็ท่านก็ถามบอกว่าตัวกูเนี่ยจะไปพระนิพพานแล้วใครจะตามกูไปบ้างขุนนางสะอึกเลยนะคืนบอกว่าตามเดี๋ยวท่านฆ่าทิ้งอ่ะไม่มีใครกล้าพูดนะถ้าไม่พูดเลยท่านก็ว่าไม่จงรักทักดีก็ตายอีกแหละถ้าพูดก็ตายนะนี่พญาพัทลุง ลาหานก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหมดนี้จะตามไปแต่ขนาดนี้บุญบรารมียังไม่ถึงให้พระองค์ไปก่อนนะพักพวกเลยเรียกว่าพญาพัทลุงคางเหล็กนะนี่หลวงพ่อเล่าเพื่อกแก้งง่วงนะแก้งง่วงเนี่ยบรรพรุษของคุณทิตินาฏเนี่ยนะคือพญาพัทลุงคางเหล็กเดี๋ยวนี้จะคางเหล็กหรือแข้งเหล็กนะก็ยังไม่แน่นะถึงรุ่นเหลนของเหลนละเนี่ย ก็พยายามไปอ้อนวอนหลวงพ่อนะบอกว่าขอสร้างวัดถวายหลวงพ่อบอกไม่เอาหลวงพ่ออยากให้ลูกศิษย์ภาวนาไม่ได้อยากให้ลูกศิษย์สร้างวัดเดไปอ้อนวอนหลวงพ่อนะทุติยำปีตัดตียำปีก็ไม่ยอมนะใ <c oughs> <c oughs> นสุดเห็นว่าหลวงพ่อไม่ยอมาย้ายจริงๆนะก็ไปซื้อที่ดินไว้หน้าวัดหลวงพ่อต่อมาครูบาอาจารย์นะบอกอชื่อท่านก็ได้นะเดี๋ยวนี้ชื่อท่านไม่เป็นความลับแล้วเขารู้จักกันทั้งประเทศแล้วนะ <c oughs> <c oughs> คือพ่อของเอน๋นี่หลวงพ่อมนตรี ก็บอกหลวงพ่อให้สร้างวัดใหม่ได้แล้วหลวงพ่อก็เอ๊จะอยู่ที่ไหนดีอะไรเงี้ยคิดที่ตรงนั้นท่านก็ว่าไม่ดีตรงนี้ท่านก็ไม่ดีะหลวงพ่อก็ไปถามท่านเมื่อสิบสองสิงหาปีไกรนี้ไปถามท่านสิบสี่สิงหาสิบสี่สิงหาไปถามท่านว่าตกลงจะให้ผมอยู่ที่ไหนว่ามาเลยนะบอกมาเลยดีกว่าไม่ต้องให้เราเดาะท่านบอกโอ้หลวงพี่อยากให้คุณไปอยู่ชนบุรี หลวงพ่อก็เรียนท่านเลยนะท่านจะให้อยู่ชนบุรีหลวงพ่อก็จะไปนะจะไปอยู่ชนบุรีไม่มีต่อรองนะนักปฏิบัติใจถึงหน่อยนะแต่ท่านบอกไปอยู่นาราธิวาสคงต้องต่อรองบ้างนะ <c oughs> นี่ท่านบอกให้อยู่ชนบุรีเอาสินะไม่ว่าอะไรนะไปอยู่ชนบุรีท่านก็มอบหมายเลยบอกนนนเนี่ยทิตินาศเนี่ยนะพยายามขอมานานแล้วแล้วบ้านก็อยู่เมืองชนนะ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 หลวงพ่อมาคิดอย่างนี้นะถ้าหลวงพ่อไปคัดเลือกว่าใครจ่ายเงินเยอะหลวงพ่อก็เลือกเป็นกรรมการอันนี้มันไม่ยุติธรรมหรอกบางคนไม่ค่อยมีเงินนะนะบางคนมีเงินน้อยแต่ว่ามีศรัทธาแก่ปลาหลวงพ่อกำมาดูว่าใครล่ะที่ทุ่มเทเหนื่อยยากนะออกแรงนะนะออกแรงมากคนจนหรือคนรวยก็ออกแรงมากมได้เหมือนกันนะนี่หลวงพ่อก็เลยเลือกพวกที่ออกแรงมากมาได้12คนนะสิคนเนี่ยล้วนแต่ทางานหามรุ่งหามค่า จนถึงเมื่อวานตอนค่ายังนั่งเกลี่ยหินเกล็ดกันอยู่เลยนะเพื่อให้พวกเรามีเต็นท์เอาไว้ทานข้าวกันนะพวกนี้ลำบากลับากมากบางคนนะมีบริษัทนะไม่รู้บริษัทเจงหรื อ, อยังเพราะมัวแต่อยู่วัดนะมาช่วยหลวงพ่อทำงานนะอย่างคุณพิชานนีนะ่เป็นคนทำระบบน้ำประปาทั้งหมดนะในวัดนะทำวันไหนน้ำไม่ไหลคุณพิชานมาเฝ้านะตัน้งะแต่เช้ายันค่าค่ายันดึกนะ ดึกยันเกือบเกือบสว่างนะหรือถึงสว่างบ้างไหมไม่ถึงนะแค่นั้นกร็ะนะออรอดแล้วหลวงพ่อไล่ถึงจะกลับนะต้องไล่สามครั้งถึงจะกลับเพราะฉะนั้นคนที่ช่วยหลวงพ่อออกแรงมามากๆนะคนแรกเลยก็คือคุณธนานะรุจีพัฒนากุลอยู่ไหมอยู่ไหมโอเชิญเชิญมารับใบสุธิหน่อย ไม่ใช่สตังน ะ, ะคนที่สองอุบาสิกาอารนุตนะสันตยากรนับตระกุลคุ้นๆนะคนนี้คนที่สามคุณธิตินาฏนี่ยหลานพญาพัทลุงคางเหล็กนะแต่ตอนนี้นิ้วเด้งไปแล้วนะเพราะพยายามไปปรับตู้นะพยายามตู้นะประตูตู้หล่นใส่เท้านะคุณสมศักดิ์มาไหมคุณสมศักดิ์ สมศักดิ์อัศวะศรีวรนั น, น์ไม่มาไว้ก่อ น, นคุณพิชานมหาชนกชื่อคล้ยๆมะม่วงน ะ, <c oughs> นะคุณฮไทยทิพย์ไม่อยู่นะไปสเปนคุณสุวรรณีเตงอํานวย <c oughs> นี่หลวงพ่อให้ตามวามชรานะ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเด็กที่สุด <c oughs> คุณอภิชาติอัศวะเรืองชัย <c oughs> คุณปฏิเวศสริษตะกร นะคุณปฏิเวชนี่ช่วยสร้างวัดสะหัวงอกเลยนะถ้าพวกด่าว่าทำรั้วนะเสาปูนก็ช้ า, ชาแผ่นสำเร็จก็ช้ า, ชานะอย่าเครียดนะบอกนี่เสียสามล้านหรือส0สิบล้านอ่นะไม่กลุ้มใจเท่ากับส่งรั้วให้วัดไม่ทันรันะว้วของวัดเลยเป็นซาแลนนะต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นปูนนะคุณสุภาพรอัอาศาวะเรืองชัยนี่ผู้หญิงเหล็กทั้งนั้นเลยนะทีมนี้ นะคุณอาตินุชจตุปาริสุทธ์อ้าวคุณชยาธรเตชไภัยบยญหลวงพ่อตั้งไปอย่างนั้นแหละรู้ไหมหลวงพ่อจะเอาไว้หลอกใช้นะ <c oughs> เดี๋ยวมีกำลังใจนะเวลาเรามีธุระอะไรก็รามาช่วยกันอีกนะเอาละวันนี้สมควรแก่เวลานะอาขอให้ญาติโยมรับพรนะวันนี้ได้รับพรจากพระหลายองค์แล้วนะ ยถาวาริวหาปูราปริปุเรนตีสักครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันนารโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฉันตูสัพพารโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภาวะ อาภีวาธนาสีลิสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตารุธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังพวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังคานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุเตหลวงพ่ออนุโมทนากับทุกคนนะทุกคน